ลูกรักําหรับตอนนี้ก็มาฟังต่อไปความจริงพ่อคิดว่าเรื่องที่เนื่องด้วยพระบาทสมเด็ยจยู่หัวพ่อจอะพูดจากหน้าเทพเดียวแต่ก็ว่าไปสัมากก็ดีเหมือนกันนะลูกรักนะเพราะว่าเทพนี่เราไม่ได้ขายกันพ่อคิดว่าจะทำแจกให้ลูกฟังเท่านั้น แต่ถ้าบังเอิญมีใครก็สนใจจะช่วยทุนก็ดีเหมือนกันให้เป็นเรื่องเวลานี้เพราะอกาซื้อคัสเซทพิเศษเป็นคัสเซทที่มีดีมากเพราะว่าคัสเซตรุ่ น, นก่อนเป็นคัสเซทที่มีสมรรถภาพไม่พอพ่อก็มีความไม่ฉลาดในเรื่องนี้ก็ซื้อมาปราับผลมันน้อยไปคนที่เขรับไปก็าว่าน่าอุบนกัน ว่าฟังไปไม่นานเท่าไรเสียงก็ยานไปเสซะแล้วเทฟยานไปใช่ไม่ได้ก็มาเวลานี้พ่อคิดว่าอย่าซื้อก็มีคนก็นมาเสนอราคาซึ่งเป็นคัดเศษดีมากแต่ก็มาเอินยังไม่ได้ซื้อสตังค์ของพ่อไม่มีก็มีคนหลายคนร่วมกําลังใจกันซื้อมาถวายแล้วก็มีคนหนึ่งคือคุณวิชัย นี่ชายเที่ยาไว้โหนดนะที่มีภูไม่จำเนาอยู่ในกรุงเทพซื้อบัตวไว้เท่า ไ, าไรละสองพันเทปหนึ่งพันเทปหนึ่งพันมว้วนไม่ว่าเทพชุดนี้ถ้าพ่อขายราคาตามเดิมพ่อไม่มีกำไรเลยลูก แม้จะช่วยก่อนก็เช่นเดียวกันช่วยก่อนเนี่ยถ้าคิดมองเห็นกําไรมันอาจจะมีแต่ว่าเทพเสียมันเลยไม่มีกําไรสําหรั บ, บทุกนี้พ่อลงพ่อยอมลงทุนเรื่องกําไรเรื่องการฟังพ่อไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวให้ธรรมะเข้าถึงคนเท่านั้นถ้าคําธรรมะถึงคนคนถึงธรรมะโลกนี้จะมีความสุข เพราะว่าพ่อไม่ใช่พ่อค้าพ่อเป็นพระผู้แจกธรรมพ่อเป็นพระผู้แจกวัตถุเรามาคุยกันที่ว่าการกั้นน้ำของคนโบราณคุยกันไปนนะเรื่องมันถึงก็คุยกันไปดีกว่าจะได้รู้จะได้นาไปคิดในสมัยที่พ่อยังเป็นเด็กเรื่องการกั้นน้ำนี่มันโคลาหลนมาก เพราะาเครื่องมือเครื่องม้อยาในสมัยจดปัจจุบันนี้มันไม่มีปรากฏว่าที่อำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีและก็อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขากั้นหัวคลองท้ายคลองมันเป็นคลองเดียวกันต้นทางมาจากอำเภอบางประมาะปลายคลองก็มาจากปลายคลองก็มาอยู่ที่เขตอำเภอเสนา เท่าสองได้ก็ทําเป็นประตูเลื่อนเขาเรียกประตูน้ําประตูเลื่อนมีประตูปิดเปิดแล้วก็มีประตูกักน้ําประตูกักน้ําสมัยนั้นบานประตูก็ไม่ได้ทําเป็นเหล็กเขาทาเสาสองข้างเป็นร่องกลางแล้วเอาไม้เข้าร้ายเรื่อยนั้นหนาประมาณสี่นิ้ววางไปทีละแผ่นละแผ่นละแผ่นต้องการน้ําสูงเท่าไหรก็ใส่น้ําไม้มากเท่านั้น น้ำก็ไหลไปเสียงสู้สู้แต่ส่วนที่ไหลไปมันน้อยก็สามารถจะกักเก็บน้ำไว้ทำการปลูกข้าวได้ก็มีประโยชน์มากนี่เป็นปัญญาของคนโบราณและสำหรับเมื่อกักน้ำตามลำคลองได้แล้วมีปัญหายว่าน้ำในทุ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนและก็แม่น้ำเจ้าพยา ทำกันยังไงตอนนี้ก็ต้องทำคันดินกั้นน้ำบนบกตอนนั้นพ่อจำได้ว่าไม่มีงบประมาณสมัยนั้นประเทศไทยเรามีงบประมาณประจำปีเพียงปีละหกสิบล้านบ้างเจ็ดสิบล้านบ้างเรื่องจะทำคันกั้นน้ำก็ไม่มีเงินท่านในอำเภอเป็นคนฉลาดเกรนชาวบ้านที่มีนานในที่นั้นประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นไร่ บริเวณที่ทำนาทุกบ้านที่มีส่วนที่จะต้องใช้น้ำไปทำคันดินกันทุกคนเอาข้าวไปกินเองมีส่วนที่จะต้องทำยาวหกวากว้างสองวาฐานข้างบนข้างบนฐานข้างบนล้ว น, น, นสันสันเรียกว่าสันคันดินกว้างหนึ่งวาความสูงสี่ศอก ทุกคนเขาก็เต็มใจไปทำทําเสร็จภายในปีเดียวแต่ระคนที่ไปทำกันก็แต่ละบ้านที่ไปทำกันปะยกทีมกันไปแต่บ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะมีคนแก่เฝ้าบ้านอยู่สักคนนอกนั้นก็ไปรวมทำกันเพียงในระยะไม่กี่วันห้าหกวันก็เสร็จต่อหนึ่งบ้าน เป็นอาวาคันดิ่งกั้นน้ำเนที่ประมาณห้าหกหมื่นไร่ทำกันเป็นห้าหกวันเท่านั้นเพราะกําลังกายกําลังใจที่เต็มใกความสามารถขี่เห็นประโยชน์ถ้าเป็นสมัยนี้รุรักจะต้องใช้งบประมาณเป็นล้านคันกั้นน้ำที่ว่าพ่อว่านี้เวลานี้ก็ยังใช้ได้เป็นปกติถึงปีท่านนายอเภอก็มาตรวจ พบว่าจุดของบุคคลผู้ใดเขาเสียหายจะต้องไปซ่อมก็บอกให้เจ้าจของไปซ่อมเจ้าของจะซ่อมก็ซ่อมไม่ใช่เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเห็นไม่ลูกรักนี่ปัญญาของคนมีความรู้ไม่ถึงปฐมปีที่หนึ่งสมัยนั้นไม่มีปฐมไม่มีมัธยม เพียงเท่านี้เขาทำกันได้บ้านหลายหลคนอ่านหนางังสือไม่ออกผู้ใหญ่บ้านบางคนเขียนได้แต่ชื่อหนงังสืออย่างอื่นเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็เป็นกำนังกันได้ที่รับเป็นได้เพราะเขาใช้ปัญญาไม่อาความรู้เข้าไปเบ่งกับลูกบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เป็นที่รักของลูกบ้านทั้งหมดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่พ่อจะฝากข้อคิดไว้กับลกูก ว่าเรื่องงบประมาณในี่จงยาสนใจให้มากนะเพราะลูกทั้งหมดของพ่อเป็นข้าราชการถ้าอะไรก็ตามถ้าเราสามารถจะทำโดยไม่ใช้งบประมาณได้จะมีความดีเป็นพิเศษและเบริการในสองถ้าเราจะทำงานโดยไม่ใช้งบประมาณก็ต้องเป็นคนเข้าถึงใจคน คือว่าทำให้เป็นที่รักของคนอย่างท่านในอำเภอคนที่ว่าพอจำชื่อทำไม่ได้อาจจะชื่อว่านายกิมหงโรเจนสุนทรหรือว่าหลวงพิสิทธ์นากาพ่อจาไม่ได้ท่านหนท่านผู้นี้ฉลาดมากท่านเวไล่เข้ามาทำดินดันท่านก็ไปทำด้วยใครเขาวางจอบท่านก็ขุดจอบก็จอบเข้ามาขุดดิน เจะห้องเจะของก็เห็นในอำเภอคนเขาเกรงใจเขาก็ไปแย่งจอบของเขามาต่อมาท่านก็ซื้อจอบเป็นส่วนตัวของท่านแล้วท่านก็เอาสีน้ำมันคิดว่าจอบในอำเภอห้ามคนอื่นหยิบเป็นอันว่าท่านก็ไปช่วยเขาฟันดินเหมือนกันเป็นกำลังใจเขาบุคคนผู้ทำงานเล็กๆแบบนี้ลูกหักมันเป็นการชนะใจคนทำให้คนทุกคนรักท่า น, นอำเภอเสถียรเกิน เวลาท่านไปท่านก็ทำอาหารหม้อใหญ่ๆไปหม้อหนึ่งหรือสองหม้อไปแจกกับคนแต่ละจุดวันนี้ท่า น, น umas, 5, ไปจุดนี้วันโน้นท่านไปจุดโน้นท่านท่านเดินแจกอาหารเวลารับทานอาหารอาหารที่ท่านนำไปท่านไม่รับทานท่านก็ไปรับทานน้ำพริกปลากับปักติดที่ดึงมาจากตะกลางทุ่งคนสมัยนั้นไม่สะอาดไม่คนสมัยนี้ แต่ว่าเขาแข็งแรงดีกว่าคนสมัยนี้กินผักดิบสดสดทักบูดสดสดส ด, ส ด, ส ด, ดึงจากกลางทุ่งนา ม, มันล้างน้ําแล้วก็จิ้มน้ำพริกปลาถ้านนมเพอยิ่งทําอย่างนั้นรัศดรเขายิ่งรักมากเป็นอันว่าถ้าได้ยิงใครที่ไหนนินทาท้านแนมเพอคนนั้นถ้าหลบไม่ทันก็หมายพิ่งตาย ทั้งๆที่ทนายอำเภอไม่ได้ไปรู้ไปเกี่ยวไ ป, ไปข้องด้วยเขาก็ไม่เคยได้เงินจากท่านนายอำเภอแต่ว่าเพราะอาศัยที่คนเขารักท่านนายอำเภอเขาจึงพร้อมที่จะยอมเสียสละชีวิตเลือดเนือ้อหรือว่าอิสรภาพที่เขาฆ่าคนนั้นตายเขาจะต้องติดตารางโดยที่นายท่านนายอำเภอไม่ได้ใช้นี่การชนะใจคนมันดีอย่างนี้ดา ร, รุรัะจงพยายามทําไว้ แต่ว่าพ่อเองเวลานี้ก็ไม่ค่อยเอาใจคนเสีแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนพ่อเกรงใจคนเอาใจคนมากเวลานี้พ่อแก่แล้วนิลุกรักไม่ช้าพ่อก็ตายถ้าพ่อถือถืนทำอย่างนั้นแล้วก็ประโยชน์ที่พ่อตั้งใจมันจะไม่สําเร็จผล น, นั่นก็คือมุ่งแจกธรรมะข้อองค์สมเด็จปทศพล ถ้าใครมาไม่ประกอบได้เหตุผลพ่อถือว่าเวลาของพ่อมีน้อยพ่อไม่เอาใจคนประเภทนั้นเสร็จแล้วลูกรักใครเขายาวดีใครเคยาเยาชั่วในช่างเขาพ่อต้องการอย่างเดียวคือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าต้องการนี่ก็น่าแปลกนั้นลูกพ่อเป็นพระ แต่ชา บ, บ้านส่วนใหญ่เขาก็มาหาพ่อในฐานะที่พ่อเป็นพระแต่มีคนส่วนน้อยบางคนเขาคิดว่าพ่อเป็นท่ายของเขามีคราวหนึ่งในจำนวนหลายหลายร้อยคราวพ่อกำลังนั่งจ้างฉันข้าวเวลาเพลินมีคนคนหนึ่งเขาพาคนไปหาพ่อเขาไปตามเขาบอกว่าลงพ่อกรับทีมนฉันเร็วๆ เ, เข้า เวลาพวกผมน้อยผมยันรีบกลับถ้าลูกโดนเข้าอย่างนี้ลูกจะมีความรู้สึกยังไงพ่อตอบเข้าไปบอกว่าถ้าจะกลับก็เชิญกลับเถอะเวลานี้มันเป็นเวลาสุดท้ายของฉันฉันจะจะกินข้าวกันตายก็ได้เวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายเท่านั้น ถ้าอยากจะกลับกันเร็วก็ตามใจกลับกันไปก็แล้วกันฉันจะฉันตามสบายของฉันแล้วในที่สุดเขาก็ไม่กลับถ้าความรู้สึกของลูกจะโกรธเขาไหมได้ความจริงพ่อไม่ได้โกรธเขาพ่อคิดว่าชายก่อนพ่อคงไปขู่ตข้อกเขาแบบนั้นมาบ้างกระมังเขา อ, อาจจะเป็นพระ แล้วพ่อก็ถือว่าใจของพ่อเป็นสำคัญเลยโขดตะ้อกเขาแบบนั้นชาตินี้เขาจะไม่โขดตะคอกพ่อแบบนี้แต่ชาติก่อนนนเขาคงไม่ตามใจพ่อชาตินี้พ่อจึงไม่ได้ตามใจเขาไม่เหมือนกับลูกของพ่อส่วนใหญ่พ่อมักจะไม่เขาดใจลูกและลูกของพ่อก็ดนีทุกคน ไม่มีเคยไม่เคยมีลูกคนใดขัดใจพ่อพ่อรักลูกทุกคนมากพ่อสงสารลูกทุกคนเห็นน้ำใจของลูกพ่อไม่อยากจะจากลูกไปแต่ลูกรักคันห้าพ่อห้าไม่ได้เป็นอนว่าพ่อขอพูดเรื่องเขาว่าบาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปเวลานี้มันก็เด็กทั้งปีสองแล้วนะลูกนะรู้สึกว่าศีสามันก็ยังเวียนไม่หาย กำบาสมเด็จพะเจอยู่หัวสรงตัดต่อไปพ่อคงจำไม่ได้ทั้งหมดนะลูกว่าเรื่องดอยผีบ้านพระองค์ทรงตัดว่าเรื่องน้ำครอบครัวลูกกับพระองค์เรื่องน้ำว่าน้ำนี่ถ้าหากว่าบรรดาท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยกันกั้นกระแสน้ำไหลน้อยๆเข้ามาใช้คือไม่ไหลลงทะเลซะหมดก็จะมีประโยชน์กับประชากร เรือบาสุนเดจิ้งหัวก็มีพระราชาดำรัสว่าเรื่องนี้ผมก็เคยเขียนกับนายอำเภอเขาที่จังหวัดน่านที่ดอยผีบ้านผมให้กัรน้ำเขาบอกว่าน้ําไม่มีแต่ความจริงน้ําก็ไหลลินลินมีอยู่แต่บพอทํำทํานกก็คือทํานกดินอย่างที่เหมืองฝ่ายนี่ก็เหมือนกันที่ทุ่งติวที่พ่อถวายพระพรว่าถ้าพระองค์ทำํำไปทำจะดีกว่าของพ่ออาจจะใช้ความคิด พระองค์ก็ทรงตัดว่าพระองค์ก็ทําแบบพ่อเหมือนกันซึ่งมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากก็ไม่ใช้สําหรับที่ดอยพิบ่าว ก, ก็ทรงตัดว่าทําเขื่อนดินเหมือนกันแนาเพลเขาค้านว่าน้ําไม่มีแคาเขา ท, ทาแล้วก็วางท่อสําหรับข้าวผืนแผ่นดินที่ชาวบ้านจะพึงใช้ได้ประมาณสามและสี่นิ้ว ถ้ามาว่าน้ำมันก็ไหลไม่เต็มท่อแต่ในที่สุดชาวบ้านก็มีน้ำใช้เพราะมันไหลทั้งปีแผ่นดินก็ชุ่มชืน้นนี่ปัญญาอย่างนี้ลูกรักใช้มากมนะลูกนะเพราะว่า เ, เงินก็ประมาณเนี่ยบางทีมันก็งบเกินประมาณมันไม่ใช่งบพอประมาณอย่างที่คุณจรนบผู้ตรวจการของชนบทาน ให้แยกขึ้นกับกระทรวงเกษตรโดยตรงเพราะตำแหน่งนี้เทียบเท่าอธิบดีคมธนบัรไทยเธยบอกว่าถ้าทำคันดิงกันก่อนก็ดีบางทีเราไปทำกันก็ใช้ทุนมากเกินไปเพราะเกรงว่ามันจะดีไม่พออันนี้ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลว่าก็ถ้าการทำอะไรไม่ดีมันพังลงมาแล้วก็จะต้องจ่ายสองครั้งมันแพงมากอย่าไปโทษเขาเลยนะลูกนะ เพราะว่าการทำเนี่ยมันจำเป็นเองต้องรับทั้งผิดและทั้งชอบข้าราชการทำดีเขาถือว่ามีหน้าที่จะต้องทำถ้าทำไม่ดีเขาหาว่าล้างผลานเงินเประมาณและรวมความมาค่าราการเหมือนกับคนที่อยู่ระหว่างเขาโคและเขาควายแยบหันซ้ายก็ช น, ชนซ้ายหันขวาก็ชนขวา ลูรักของพ่อทุกคนเป็นข่าราชการจําไว้นะลูกนะจําแนวทางที่พระบาทเนี่ยที่เจ้หัวทรงจัดไว้ว่าเรื่องดา่าเรื่องว่าเป็นของธรรมดาเรื่อยๆไม่สนใจเสีก็แล้วกันเราทําดีที่สุดแล้วใครจะว่ายัางไงก็ช่างสําหรับเที่ดอยผีบา้าในพระองค์ทรงแต่กับพ่อบอกว่าเวลากลับมาเลยโดนผีบ้าละวาด นั่นก็คือมาถึงใกล้เชียงใหม่เครื่องบินลงไม่ได้ปรากฏอารมพยุนหนักลูกเหยบตหนักต้องเอาเครื่องบินเป็นลงที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นัันว่าวันนั้นพ่ออยู่กับพระบาทสมเด็จเจ้ยหัวสองชั่วโมงครึ่งพ่อเองก็ปวดทิสสะมอนทิสะพระองค์ก็ทรงมีอาการเครียดก็เหนื่อยมาม า, มากเลยคุยกันไม่มาก เป็นวาระแรกที่พ่อประบาทสีที่ิตหัวใจโหยน้อยหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อกลับมาได้หนึ่งวันลุงขึ้นก็เดินทางไปจังหวัดพิสนุโลกพ่อก็ต้องกลายเป็นคนป่ยหนักต้องให้ทำเกลือทั้งหมดทั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรับความปรานีจากอีดและก็หมอที่โรงพยาบาลของพ่อที่พ่อสร้างที่วัดท่าสงทุกคน แล้วก็หมออะไรนาเออโรงพยาบาลพร้อมมิตรนี่เป็นคนใกล้คิดหม อ, อยู่วันดีนี่พ่อมันงงเต็มทีนะลูกนะนึกอะไรไม่เคยออกไปให้น้ำเกลือกันจบจุดกันที่ระยองแล้วกลับมาให้ที่โงเทพอีกรวมแล้วให้น้ำเกลือติดติดกันทั้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันซีซีหลังจากนั้น ตอนนี้พ่อเราจะปรารถเรื่องที่พระพรทบาทสมเด็จเจ้ยหัวพระลูกรักจะได้รับฟังง่ายๆไม่ยาวเกินไปแต่ยาวมากนะลูกนะพ่อเรื่องอะไรเข้ามาทับเพราะมันเป็นประโยชน์เมื่อวันที่สิบสี่เมษายนสอง1ห้ารยี่สิเอ็ดก่อนหน้าจะเดินทางมาสายใต้หนึ่งวันก่อนหน้านั้นก็เพียงหนึ่งวัน รับโทรศัพท์จากคุณเกิต จ, จังหวัดชนบุรีเป็นผู้แทเของจังหวัดไทยออยเรียมาบอกว่าพระบาทสมด็จเจ้หัวทรงโปรดให้เข้าเฝ้าได้วันที่14เมษายนเพื่อถวายเงินโดยสเสด็จพระราชากุะสนน่าช่วยส่วนสรงพระบคุคคลผู้ยากจนในถิ่นเพลกันไดเพื่อศูนที่พ่อกวบคมและที่ลูกทุกคนเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ ขอลูกรักของทุกคนจงคิดว่าศูนย์ที่ระบายสมเด็จพี่ใหหัวสมมอบพ่อมานี้ขอลูกทุกคนจงคิดว่าศูนย์เป็นลูกว่าเป็นของของลูกนะลูกละถ้าเวลาพ่อแก่ลงไปทําไม่ไหวแล้วป่วยมากลงไปทําไม่ไหวหรือว่าพ่อตายแลว้วก็ตามขอลูกจงทําต่อกันไป ได้ของมามากแล้วก็ทำมากได้ของมันน้อยแล้วก็ทำน้อยทำตามกําลังอย่าทำอะไรอย่างพ่อพ่อทำเกินกําลังเพราะพ่อถือว่าพ่อไม่มีความวิตกกังวลทั้งนี้พ่อได้เพราะว่าพ่อเป็นคนประเภทนี้มานานไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวพ่อพูดอย่างนี้เดี๋ยวบางคนก็อาจจะฟ้องพระบาทสมเด็จเจ้อย่หัว ว่าพระมหาวีระในอดริโตเดชอีกแล้วความจริงคนมีฤทธ์ก็ต่อฤทธิ์อดคนมีเดชก็ต้องเดชดอดการนินทาว่าร้ายในี่ใครเขาสั่งเขาสอนมีครูบาอาจารย์ที่ไหนสั่งสอนให้รู้จักการนินทาว่าร้ายพ่อเข้าใจว่าไม่มีครูที่ดีที่ไหนเขาสั่งเขาสอนกัน แต่ว่ารูกทุกคนของพ่อถูกคขนินทาว่าายจงยาสะเทือนพ่อก็ไม่เคยสอนลูกให้นินทาใครแล้วพ่อก็ไม่เคยสอนลูกให้รับคำนินทาและสรรเสริญแต่มีคนบางพวกยังชอบเดือดร้อนกับเรื่องของบุคคลอืน่นพ่อสงสัยคนประเภทนี้ว่าจะไปแย่งที่พระเทวทัตยอยู่เพราะจิตใจของเขาไม่มีความเป็นธรรม จิตใจของเขาไม่มีความดีผสมอยู่เลยจิตใจของเขามีแต่รมเลวทุกเวลานี่พ่อไม่ได้ด่าเขานะลูกนะพ่อเล่าให้ลูกฟังว่ารอย่างนี้นะลูกจงอย่าไปใช้ลอกเอาแต่ความดีไปใช้อย่าลอกเอาความเลวความดีที่มีอยู่ไม่ใช่มีแต่ที่พ่อไม่ใช่มีแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความดีมีอยู่กับคนทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ควรจะจำความดีของมันสัตว์เดรัจฉานเหี้ยงสุ น, นัขมันมีความกตัญญูรู้คนณต่อเจ้าของขอ ง, ของมันจะดุจะด่าจะว่าจะตีมันก็ไม่เคยโกรธเจ้าของขอ ง, ของมันมันก็มีความจงรักพักดีความดีของสุ น, นัขคนจะจำเอาไว้เอาสุ น, นัขเป็นครูซะก็แล้วกัน อย่าไปถือสาความมาสุนักเลวความจริงสุนักเขามีดีมันจะมีเลวอย่างเดียวที่เราว่าเลวก็ถือว่าเขาไม่สัตย์จรฉั น, นแต่ความจริงส่วนหนึ่งความดีของเขานั้นเราคนรจะเก็บมาใช้เราเป็นคนก็ลอกแบบเขาได้ไม่เสียศักดิ์ไม่เสีย ส, เ ส, ยสีเมื่อเราดึงเอาความดีม า, ามาใช้เสียบ้างประเดี๋ยวสุนักมันจะดีแต่ฝ่ายเดียวเราจะส่วมันไม่ได้ สำหรับท่านนี้พูดหนึ่งไว้กันพ่อก็ไม่ทราบว่าใครไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนก็สั่งเขาสอนกันมามีความจริงพ่อไม่อยากจะพูดแต่มันเจอหลายคราวเต็มทีถ้าไม่พูดสักอย่างนี้บ้างก็เกรงว่าบุคคลคนนั้นจะลงอเวจีนานเกินไปการที่พ่อบอกว่าการที่พ่อทําอะไรเกินตัวไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียว นี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าธัตระเท็งว่าคนอื่นทําอาการคล้ายๆกับพ่ออย่างที่หลวงท่านโลลุทายีเป็นพระที่มีแต่ความโลเลเมื่อพระติเขา้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรตรัสเมื่อโลลุทายีนี้ไม่ใช่โลเลในชาตินี้ชาติเดียวชาติก่อนๆเขาก็โลเลเหมือนกันเห็นไหม ตัวอย่างเช่นนี้มีมามากก็พ่อเป็นคนแบบนี้พ่อก็คงคิดว่าไม่ใช่ได้ชาตินี้ชาติเดียวมันคงจะเป็นคนทำอะไรเกินตัวมานหลายแสนชาติแล้วก็เป็นไปได้การพูดอย่างนี้ด้วยการพูดอย่างก่อนที่เขาว่าพอความจริงไม่ใชฉริฐไม่เฉเด็จมันเป็นกฎธรรมดาของนักปฏิบัติพระกรรมฐานเท่านั้นเป็นของชั้นห่วย ถ้าจะเทียบกับการเรียนหนังสือก็ยังไม่ถึงชั้นวัดสมปีที่หนึ่งทำไมเขาจึงใช้คําว่าพ่ออดริโตอดเดตมันไม่ใช่ริทไม่ใช่เดตแต่าน่อยของอพิญญาแปลกใจไหมลูกอยอะโกรธเขาหนาลูกนะควรจะขอบใจเขาที่เขาทาความชั่วเป็นครูให้ลูกลูกจะได้ไม่ปฏิบัติตามเขา ถ้ามิเชนั้นแล้วลูกอาจจะคิดว่าอาการที่ทำอย่างนั้นมันเป็นความดีถ้าไปทำข้ามันจะลบก ล, กล้างความดีที่ลูกทำไว้ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงวันที่14เมษายนยังไม่ถึงก่อนหลังจากรับโทรศัพท์จากคุณประเสริฐว่าวันที่14พ่อจะเขาจะให้พ่อเขาเฝ้าพระบาทสมเด็จจะอยู่หวด้วย เพื่อรอรับเงินหนึ่งแสนบาทมาเข้าทุนเป็นกองทุนของหน่วยสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นพุรธรการดานพ่อก็ไม่อยากจะขัดใจเพราะก็ตอบรับทั้งๆ ท, ท, ที่วันที่สิบห้าตอนเช้าพ่อจาเป็นจะต้องเดินทางมาภาคใต้เมื่อเข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็ต้องเดินทางกลับมาเวลากลางคืน แต่ความที่ไม่อยากจะขัดใจใครในด้านของความดีเพาะก็ยอมรับรับแล้วก็มานั่งคิดว่าการเข้าไปพร้อมกันแบบนี้อาจจะเห็นว่าบางคนอาจจะคิดว่าพวกเราทั้งหมดนี้ไม่ไว้วางใจแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินเพียงแค่เงินแสนบาทสาหรับคนรวยแต่สำหรับอย่างพ่อเงินหนึ่งสลึงเราเรียกว่าเงินตั้งหนึ่งสลึง ข้าพ่อไม่ค่อยจะมีเงินใช้เป็นส่วนตัวกับเขามันดารูกรักของพ่อมีความหวังดีกับพ่อทุกคนทุกเดือนลูกต้องให้พ่อเป็นส่วนตัวแจ้งมาว่าเป็นตตาอัตยาใสพ่อก็ใช้นนะลูกไม่ใชไม่ใช้ความจำเป็นมีบ้างในส่วนตัวของพ่อจริงๆเดือนหนึ่งประมาณร้อยบาทเศษๆบางเดือนก็ไม่ถึง เงินเหลือจากนี้เงินจำนวนนี้ทั้งหมดพ่อมีความห่วงใหญ่ในผลที่ลูกจะพึงรับนำมาไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์สร้างวัดวารามให้ความสุขสาธรารณชนอรบรรดาลูกรักทุกคนเทพหน้านี้มองดูก็หมดเสร็จแล้วนะลูกนะฟังฟังเทพหน้าต่อไปคิดว่าเรื่องของพระบาทสมเด็จเอยู่หัวอีกหนึ่งหน้าก็คงจะจบ ที่ไม่จบก็เพราะว่าพ่อเรื่องอื่นเข้ามาแทรกลำดับทางเทพหน้านี้ก็ข อ, อยุติว้ดัดเพียงเท่านี้